พระที่บวชใหม่ก็มีที่เขามาอยู่สถานที่นี้เพื่อการอบรมจิตใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานแม่ที่สุด ใจยังต้องพยายามเสียสลับเช่นเดียวกันกับร่างกายที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่กิเลสมันเหนียวแน่นไม่ยอมให้สลับการดำเนินตามการงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบปาระให้ตลอดสถานที่อยู่ อาศัยปัจจัยต่างๆที่พระองค์ประทานไว้แล้วมันยังทะเอถลทะลไม่อยากจะรับไม่อยากจะทำงานซึ่งเป็นหน้าที่ของตนหลวงพระบวชใหม่ท่านก็มอบงานให้ตั้งแต่ขณะบวชเริ่มบวชก็เริ่มมอบงานให้งานนี้เป็นงาน เพื่อรือวัฏะสงสารออกจา ก, กจิตใจจึงต้องมีงานอันสำคัญให้ทำขึ้นต้นท่านก็บอกเลยว่าเกษาลโลมานขาทันตาตะโจนี่คือภูเขาภูเราที่หนานแน่นแต่ มืดมิดที่สุดคือภูเขาภูเราอันนี้แหละมันปิดบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าผู้บวชผู้ไม่บวชคำว่าแต่สัตว์โลกก็ยินความไปหมดแล้วที่ภูเขาภูเราอันนี้ไม่ปิดไม่กัน้นให้มืดมิดปิดตาหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลกดินแดนจะมีอะไรมาปิดกั้นก่อนอื่น ต้องอันนี้เป็นสำคัญพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบงานหรือศาสตราอาวุธไว้สำหรับเบิกหรือทำลายภูเขาภูเรานี้ให้แตกกระจัดกระจายลงไปสู่สภาพราบเรียบตามท่าเดิมของมัน งานนั้นหรือศาสตราอาวุธนั้นคืออะไรก็ดังที่อธิบายแล้วที่บอกแล้วต่กี้นี้ว่าเกสารลมานะคาถันตาตะโจนี่คืองานสำหรับนักบวชของเราไม่ว่าผู้บวชใหม่ไม่ว่าผู้บวชเก่าประจําชีวิตจิตใจของเรา ก็คืองานอันนี้เรียกว่างานของพระโดยตรงของพระที่จะทรงมักทรงผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงมาแล้วจนกระเทืองโลกกระถาดก็เพราะงานอันนี้เป็นสำคัญสถานที่ที่จะทำงานนี้ ด้วยความสะดวกสบายหายกังวลกับสิ่งทั้งหลายภายนอกท่านก็ประกาศสอนไว้หลังจากกุศะสมบทเรียบร้อยแล้วว่าลุกขโมเลเซนาชนังนิซาปะปะชาตัะทะยาวชีวังอุตซาโหการณีโยในข้อต้นบอกอย่างนั้นนี่คือสถานที่อยู่ที่บําเพ็ญสถานที่ทํางานของพระ ผู้ได้งานหรือได้ศาสตราบุธเพื่อห้ามหันกับ่าศึษจะต้องไปอยู่ไปทาในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ลุกขมูลร่วมไม้ชายป่าชายในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาที่สงัดวิเวกป่าช้าป่าโรคชัดนี่คือสถานที่ป ร, ราศจากความกังวล เป็นสถานที่ไม่มีราค้ำราคาความนิยมของโลกคือกิเลสแต่เป็นที่เพาะอัดเพาะทมให้เกิดขึ้นจเจริญขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงจเจริญเต็มที่ได้แก่สถานที่เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้ากิณประธานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่ง บัดปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปคือจะต้องได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามทำที่กล่าวเหล่านี้อยู่เรื่อยไปสำหรับนักบวชผู้มุ่งมุ่งอัดมุ่งทรมุ่งมรรคผลนิพพานคำว่าภูเขาภูเรานั้นคืออะไรก็คือสกลกายของเหล่านี้แหละ นั่นของเขานี่ของเรานะจะเป็นอะไรไปนะก็ติดเราติดเขาอยู่นี่ดวงจิต ด, ดวงในก็ตามจะไม่ติดที่ตรงนี้จะไม่สูกถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ่มหอ่อจนมิชิดปิดตาแล้วจะเป็นอะไร เรียกว่าโลกทั้งโลกติดกันอยู่ในภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบูเบิกจึง เ, เหมาะสมกันตามที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยลำดับมาแล้เก็บเอสาลมานขาทันตาตะจูมีเพียงย่นยอ่อให้พอเหมาะกับเว ล, เวลาที่มีน้อยในขณะที่บวชกุณบุตรสุดท้ายภายหลังเรื่อยมา ต่อจากนั้นก็ให้ขยับขยายงานนี้ไปตามโอกาสของตนที่บวชแล้วมีหน้าที่ท ำ, ทำการงานแต่อย่างเดียวไปถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทํงผืดไตปอดไส์ใหญ่ไส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่ง ลวนแล้วแต่อยู่ในภูเขาภูเรานี้ทั้งนั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เราที่ติดเขาที่ติดโลกที่ติดติดสิ่งเหล่านี้เป็นของพิเศษวิโสอะไรยิดเราจริงไปติดพิจารณาเจนั่นแหละท่านให้คลี่คลายออกดูว่ามันมันทำไมมันถึงรกักมันถึงชอบมันถึงติดเอานักเอาหนาก็เหตุก่อภยัยมากน้อย รุนแรงก็อันนี้เป็นสาคัญอันนี้ปิดไว้ไม่ให้มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วจิงไม่มีการยับยั้งชั่งตัวแล้วทำลายกันได้โลกพินาศจิตหายได้เพราะความยืดมั่นถือมั่นผูเขาผูเรานี่เป็นสำคัญแล้วกระจายออกไปข้างนอกให้เป็นความกระทบกระเทือนเพราะต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือต่างคนต่างแบกต่างคนต่างหามต่างคนต่างหึงต่างหวง ต่างคนต่างว่าเราว่าของเราว่าของเขาสุดท้ายก็เรากับ เ, เขาก็มากระทบกันจนได้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนกระทั่งกระเทือนโลกกบินาต์ก็ขึ้นจากคำว่าผู้เขาผู้เรานี่ทั้งนั้นหาจิตได้หลุดพ้นจากธรรมชาตินี้แล้วจะเอาอะไรมายึดมาถือจะเอาอะไรมาห่วงมาห่วงจะอะไรมาเสียดายจะอะไรมาเป็นคู่แข่ง แย่ดีแย่งเด่นกันที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชทั้งหลายขอให้พิจารณาธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แล้วในขณะบวชเป็นธรรมประเภทใดลงขั้นถึงาศาสดาสอนโลกทำไมจะเอาธรรมะ เ, เลื่อนเลอยๆม า, ส, าสอนโลกมีอย่างหรือ ทำศาสาดารู้มาได้อย่างไรถึงเป็นขั้นศาสตราพระพุธเจ้าองค์เอกก็ทรงดำเนินกับสิ่งบาเพ็ญกับสิ่งเหล่านี้หรือได้ทำงานกับสภาพเหล่านี้ในภูเขาภูเหล่านี้เป็นที่ทำงานหรือเป็นที่ฟาทันฟันหันแดกกับนิริต ก, ก็ไม่ผิด ดูมีสถานที่นี้เป็นสำคัญจึงต้องให้คลี่คลายให้ขยายสิ่งเหล่านี้ออกดูว่ามันติดเพราะเหตุผลคนกายอะไรดูด้วยตาแล้วก็ไม่น่าอะไรจะติดถ้าไม่มีสิ่งที่มากล่อมปายใจิตจากจิตใจของเราออกมากล่อมให้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นสาระแก่นสารผมก็ดูที่ผมเป็นยังไง ทั้งๆที่เราว่ามันสวยมันงามพอมันตกลงไปใส่อาหารเครื่องรับทานเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆมันไปหมดทําไมมันถึงครับกรอกกรอกหลอนเราอย่างนั้นใจที่จะหน้าจีขนเล็บฟันเหมือนกันแต่ละชิ้นแต่ละอันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เลิอดเลือมาจากโลกไหนมาจากแดนใดโลกทั้งหลายจึงได้ติดได้ยึดได้ถือกันเอานักเอาหนา มันเป็นของวิเศษวิสูอะไรดูในตัวของเรานี่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันเกิดตกคอดออกมาก็มาด้วยสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งถึงวันสลายวายชนก็ไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีความวิเศษวิสูที่ตรงไหนนี่แหละท่านจึงให้ดูภูเขาภูเราเฉพาะอย่างยิ่งดูภูเราเป็นสาคัญสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเรา พร้อมรอบหัวใจคือความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาใจก็เป็นใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นโดยหลักธรรมชาติของตนแต่เหตุใดมันจึงไม่รู้ตามเหตุตามผลตามสิ่งที่ควรจะเป็นอัตเป็นธรรมมันถึงรู้แบบจอมเจาะแบบปลอมๆไปอย่างนั้น ทุกสัตว์ทุกส่วนเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของเขาแต่ทำไมจิตใจเราจรึงติ้นต้อนหลอกลวงเราตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่อยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งโสโปรกโซ ม, มุมมคือร่างกายของเหล่านี้แท้มันเป็นเพราะเหตุใดนี่สิพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เอามาคลี่คลายขายายดูให้ชัดเจนมันอยู่กับผู้รู้แท้ๆ ผู้คือใจอยู่ในถ้ำกลางแห่งสภาพเหล่านี้มันทําไมมันถึงหลงได้ตลอดเวลาแล้วยังจะหลงไปอีกหากําหนดกดเจนไม่ได้ถ้าไม่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาคลี่คลายออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันสิ่งที่ว่าสะอาดสิ่งที่ว่าสวยงามก็จับเข้าไปว่ามันสวยงามที่ตรงไหนเลอะเละเถอะเอเปื้อน เก็อะไรก็เต็มอยู่ในร่างกายโซ ก, ปกัปวกโสมุมก็เต็มอยู่นี้ถ้าว่าปิ่นร่งออกมาก็เป็นที่ไม่พึงปรานาแต่ทำไมมันถึงติดถึงพันเอาน้างล้าดูที่เรื่องของทิเละเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องของทิ่เละเสกสรรออกมาในแง่ใดมุมใดสัตว์โลกจึงต้องติดเคือบเคริมลหลงไหลไปกับพันเสียทุกแง่ทุม่มุมอย่างนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อเปิดโลกเปิดสงสารให้เห็นตามหลักความจริงในฐานะของจัตวโลกผู้ที่จะควรเห็นได้เฉพราะอย่างยิ่งนักบวชของเราที่ควรจะทําหน้าที่การงานอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนและสมบูรณ์เต็มที่ได้ด้วยการบําเพ็ญตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามงานที่ประธานหรือที่มอบให้นี้ ดูอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าทำงานเป็นประจำดูข้างนอกดูข้างในผมขนและฟันหนังเนื้อเองกระดูกดูเข้าไปภายในดูสิ่งจอมปลอมให้เป็หรือชุดลากสิ่งจอมปลอมนั้นให้กับลายเข้ามาสู่หลักความจริงตามเดิมของตนที่หลักธรรมท่านนิยม ดูตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาข้างบนดูแต่ข้างบนลงไปพื้นเท้าหรือดูตั้งแต่บนศีรษะนี้ลงไปมีอะไรเป็นที่สวยงามน่าดูน่าชมน่ารักใคร่ชอบใจและดูจางเนี่ยดูเข้าไปหนังไปเนื้อไปกระดูกนี่ถ้าไม่มีหลังหุ้มห่ออยู่เป็นยังไงภายในนี้ กองกระดูกทั้งนั้นในตัวของเราแต่ละรายละรายเป็นอะไรกระดูกเราเดินไปตามถนนหนทางเราเจอเสมอมีใช่หรือเรื่องกระดูกกระดูกสัตว์หลายที่เกินอยู่ตามแผ่นดินหรือตามข้างถนนนี้ที่เราเดินไปเป็นยังไงวิเศษวิสูวอะไรมีคุณค่าอะไรมีความหมายอะไรกับกระดูกเหล่านั้นแต่เวลามัน อยู่ในร่างกายของเหล่านี้มันทำไมถึงสร้างความมืดมนอุนตการสร้างความหมายเป็นของมีราคาราคาคเลยโลกเลยสงสารเราเสีอจนกระทั่งไม่มีวันดื่มหูลืมตาเลยโลกทั้งหลายหลงปิดกันงอมแงมเลื่อยมาแม่ที่สุดนาบวชที่ให้พี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะให้มันกล่อมจนหลับสนิทได้เช่นเดียวกันพิจารณาสินี่แหละท่านให้พิจารณากรรมฐาน เพียงกระดูกเท่านั้นไปนยังไงลองกำหนดดูที่ ว, ว่าเมือ่อหนังก็เปื่อยเนื้อก็เปื่อยเอ็นก็เปื่อยในร่างกายของของเราทั้งร่างนี้และกระดูกนี้จะพังทลายลงไปกองกันอยู่ที่นั่นคลุกเคล้ากันกับสิ่งสกรปรกทั้งหลายทั้งภายนอกคืนหนังเนื้อที่หุ้มหอ่อกระดูกอยู่ทั้งภายในคือ อาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงเน่าเฟะเต็มอยู่นั้นคุกค้ากันอยู่นั้นแล้วเป็นยังไงน่าดูไหมเราเอากายของเราเนี่ยออกเป็นออกพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นหลักความจริงใจของเรามันยังจะพออกพอใจยังจะหลับหูหลับตาตื่นเต้นยินดีอยู่หรออนี่ปัญหาสร้างเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญา พินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองที่มันติดคือติดอันนี้เองอันนี้มันได้ติดเราใจไม่ได้ติดอ๋อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดแต่ใจไปติดเพราะใจมีสิ่งที่จะให้ติดแนบสนิทอยู่กับตัวของใจเองแยกไปแยกไ ป, กไปอาการใดมีแต่เรื่องพาให้ติดให้พันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแม่ที่สุดแม่ที่สุดร่างกายที่อยู่กับตัวเองนี่ ความรู้นั้นก็อยู่ในถ้ำกลางแห่งร่างกายนี้ก็ไม่พ้นที่จะให้สิ่งเหล่านี้ปิดบังหอ่อจนเสียมิตรโดยไม่มองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกานี้เลยว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ในร่างกายนี้ข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างจนกระทั่งแตกลงไปกองอยู่ในพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยอสุภอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเปลี่ยนสภาพไปหมดเหลือแต่กองกระดูกเป็นยังไงมันยังหลักหูหลักตาพอใจอยู่หรือ ถาม้วยนี่แหละทาเรื่องพี่คลายดูความติดความพันนั่งชองติดอันนี้จิตมาเสกสรรอันนี้ตัวเขาเองเขาไม่มีอะไรละแต่จิตนั่นเองยังให้จิตไปดูมันไปยังไงออกจากนั้นแล้วก็สิ่งที่กระจายลงไปพื้นก็ลงไปกระจายลงไปส่วนไหนที่จะ กระจายป่วยพังลงไปก่อนก็ไปลงตามลงไปตามสภาพของตนน้ําก็ไว้เป็นน้ําซึมซาบไปลงในดินและเป็นไอขึ้นบนอากาศแล้วก็เหี่ยวแห้งยุบย่อลงไปกระดูกก็เป็นกองกระดูกสุดท้ายกองกระดูกก็ค่อยกระจายละลายตัวเองลงไปด้วยกดแห้งอันนี้จังทุกขังอาตาแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมแล้วมีอะไรอยู่ในนั้น เราเสกสันปัญนยอลมล ม, ลมแรงแรงที่ไหนว่าเป็นสัตว์เป็นมุษคลว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรถ้ามันกีรังถาวรแล้วมันจะเป็นแสดงลงไปอย่างนั้นให้เห็นเหนือนี่ดูเอานี่เรียกว่างานเหน่งงานของนักบวชเราให้พิจารณาค้นคว้าขุขาดค้นคลี่คลายดูทุกแง่ทุกมุม เพราะมันติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านี้ด้วยอานาจแห่งที่ตัวลุ่มหลงอย่างม่ตัวปิดหัวใจของเราจรึงไม่ทำให้ใจได้รู้อะไรได้เลยรู้ก็รู้เฉยรู้แบ บ, บ, หบหลับหูหลับตารู้ไม่ใช่รู้แบบลืมตาคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาหากว่าเป็นสติเป็นปัญญาก็เป็นสติปัญญาที่มันผิดขึ้นให้เสีย ใ ห, ให้รู้ให้จุดให้จ่อให้ใคร่ควรกับสิ่งเหล่านี้เพื่อความผิดความพันธุ์ความรักความชอบใจจะได้มีกําลังมากขึ้นเผาตัวเองเข้าไปอีกเป็นชั้นชั้น น, นั่นสติปัญญาของกิเลสมันปิดให้มันผิดอย่างนี้เพราะการสิ่งต้องเด็กคลี่คลายดูให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นบะปากเป็นทางให้เด็กค ล, คลี่คลายออก ดูตามงานที่ทานี้นี่หละที่ว่าพระพุทธเจ้ามอบงานให้นักบวชเราเบส า, า, า, า, า, าโลพานคาอันตาตะโจไีแผ่กระจายลงไปจนกระทั่งภายในดังที่ว่ามา น, นี้หเห็นทุกแง่ทุกมุมเห็นแล้วเห็นเล่าดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วลจิตจะค่อยซึมซาบเข้าไปสู่ความจริงสู่ความจริงสุดท้ายก็พ้น ความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาได้และมาเห็นโทษนะความหลงของตนในขณะเดียวกันนั่นมาตรฐานที่จะทํางานอันนี้ให้เต็มเม็ดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินด น, นั่งนอนไม่ขาดละขาดัดตอนก็คือลุคโมูลเซนนาสนางังหมายถึงลุกต้นไม้ร่มไม้เป็นที่อยู่ เสนาสนาัเนาสนะคือที่อยู่ถือร่มไม้เป็นที่อยู่ถือป่าถือเขาลำเนาไลเป็นที่อยู่ถือถ้ำเหมื้อผาป่าช้าป่ารกชัดเป็นที่อยู่เพื่อทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจเมื่อได้ทำงานอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนสิ่งที่เป็นค่าสิทไม่คอยมารบกวนเพราะสถานที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่สถานที่ชุมนุม แห่งค่าศึกที่จะมารบกวนอิตใจของเราให้ทําเราเหลวแหลกแวกเดวไปดังสถานที่ทั่วๆไปแต่เป็นสถานที่เหมาะสมกับการบรําเพ็ญสมณะธรรมเมื่อได้ทําอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นนี้จิตใจจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปด้วยความรู้ความเข้าใจในความจริงทั้งหลายถ้าทำให้สงบจะจัดจากอารมณ์ทั้งหลาย มีอารมณ์แห่งการภาวนานโยนเข้าไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นตะโจตะโจก็ดออีอัติอัติก็ดีหรือพุโทโธพุธโทโธก็ดีจิตก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียวคือความรู้ลวนวไม่มีอารมณ์สิ่งใดเข้าไปแฝงใจเลยนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบสงบจากงานทั้งหลายเหล่านี้แหละงานทั้งหลายนี้เป็นพลังของจิตที่จะให้เข้าสู่ความสงบ เย็นไใจเข้าสู่สมาธิและก้าเดินทางด้านปัญญาได้โดยไม่อัดสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญ น, นี่แหละทางเดินของพระทางเดินของศาสนาที่พระที่พุทธเจ้าประทานไว้สําหรับพระผู้ที่ตั้งหน้าต่างตาหรือมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากทุกขโดยประการทั้งปวงต้องพิจารณาสิ่งที่ ทำให้เกิดทุกข์นี้ให้ช่ำชองยามมิํนานาสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดังที่ว่ามานี้งานเหล่านี้จึงเป็นงานที่แก้สาเหตุภูเขาภูเราที่ติดแน่นอยู่ภายใน จ, จิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้กระจายตัวออกไปจิตใ จ, จก็เบิกกว้างออกไปสมาธิไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ซักฟอก หนุนจิตใจของเราให้สู่ความสงบได้งานเดล่านี้ไม่ใช่งานเพลิดงานเพลินงานสังสมกิเลสแตเ่เป็นงานของมักคือเ ป, เป็นงานที่อย่างน้อยบรรเทา เ, าเบากิเลสลงโดยลำดับลาดามากกว่านั้นเมื่อมีกําลังพอก็สามารถสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน เป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้มาแล้วให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้ว่าเป็นของเลิอเลือดดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละภูเขาภูเขามันภูเขาภูเหล่านี้มันเลิอเลืออะไรและพิจารณาแยกออกไปมันก็เทียบกันได้ เ, เหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถูกเพราะมันเป็นเหมือนกัน กฎนจจังทุกขังตาตีตราตีตราไว้หมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกดให้จังทุกขงังต า, าอาสุภะอาสุพังนี้ไปได้เลยจิตมันติดอยู่ในแถวนี้ติดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจิตใข้ก็ตามเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกแก้ไขแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นอนันตการหาที่หาช่องว่างหาที่ขาดวักขาดตอนไม่ได้เลย จะต้องมีแต่เรื่องการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเย็นเปลี่ย น, ปนแปลงทั้งสูงทั้งต่ำรุ่ ม, มดอนดอนเยอกันปนไปอย่างนี้ดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนไหนแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการไหนไหนเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุเบิลเพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวนี้เป็นพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยประหารประหารตับวัดตะบนที่ยืดยาวแสนยืดยาวให้ย่นเข้ามายนเข้ามา จนกระทั่งขาดสบ้านภายในจิตใจของสัตว์โลกผู้บำเพ็ญได้เต็มภูมิแล้วในคำทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้โดยหายห่วงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักบวชเราทั้งหลายยาได้ปีกได้แวจากทางเดินของพระพุทธเจ้าฟังเถิดว่าศาสดราเอกไม่ใช่เอกแบบโลกไม่ใชเเแบบ่เอกแบบครังกิเลสไม่ใช่เอกแบบความเสื่สันปัญญยอ ไม่ใช่เอกโดยความสรรเสริญในโลกธรรม8นั้นแต่เป็นเอกนอกจากโลกธรรมแปดไปแล้วโดยประการทั้งปวงเลิศ ก, ก็เลิศนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วไม่มีอะไรเสียสันหากเลิศโดยหลักธรรมชาติของพระองค์เองธรรมที่นำมาสั่งสอนสวรโลกก็เป็นธรรมที่เลิศโดยหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ของธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วนำมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีสิใดผิดสิ่งใดผิดแม้แต่น้อยเลยนี่เป็นผู้มาสังสสสสส่งสอนศาสตรสั่งสอนศาสตร์โลกเป็นคนเล่นเมื่อไหร่ฟังสี่คำว่าศาสดาศา ส, สดาอย่างนี้เองโลกไม่รู้ศา ส, สดารู้ทุกแง่ทุกมุมโลกละไม่ได้ศา ส, สดาละได้พระพุทธเจ้าละได้ เห็นได้ท <würden ancia> <Hey> um> ุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกสอนเพื่อแก้เพื่อถอนไม่ใช่สอนเพื่อสั่งสมความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้เพิ่มพูนหรือมากมูลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความทุกข์จะได้เผาไหม้กันตลอดเวลาไปแต่ทรงสอนเพื่อเป็นน้ำดับไฟให้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความทุกข์มากเมื่อได้รับโอวาทคาสั่งสอนแล้วทุกนั้นก็เบาบางเท่าเดียวกันกับโรค กิจนาเนี่ยเกียงไรก็าตามเมื่อได้รับยาแล้วก็บรรเทาเบ า, บาบางลงไปสุดถึงกับหายได้นี่ก็เหมือนกันโรคกิเลสโรคตัณหานี้ฝังอยู่ในภายในใจโดยเฉพาะไม่ฝังในที่ใดโรคชนิดนี้กิเลสชนิดนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจที่จะรู้และถอดถอนมันได้เลย แต่พระพุทธเจ้าทรงสนพระไถยถึงขนาดที่พังทลายตันลงในคืนวันเดือนหกเพนก็คือพังทลายตัวค่าสึกอันสาคัญที่พาให้เกิดให้ตายไม่หยุดยั้งนี่แหละอยู่ภายในพระไถ่นั้นให้หมดมอดไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยจึงเรียกหรือให้นามว่าตรัสรู้นั่นเนี่ยท่านถอดถอนสิ่งนี้ออกจากพระไถ่ แล้วก็เป็นพระไทยที่บริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นนี้แล้วการสถานที่เว ล, เวลาสมมติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้ยิงไม่มีอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่ที่เดือดพาให้เป็นไปนั่นเลยสิ่งอันนี้มีก็มีตามหลักธรรมชาติถ้าขี้เดือดไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เอาไปเป็นเครื่องมือ ปาดมหานตัวเราเองให้ลุ่มให้หลงให้รักให้จังอย่แล้วไม่มีอะไรที่จะพอรักพอจังได้เพราะสิ่งทั้งหลายเขา ม, มีความหมายในตัวของเขาเลยมีแม้แต่ตาหูจมูกเท้ากายของเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของตัวเองแต่สิ่งที่จะเอาความหมายยัดใส่ในไม้ในมือตีหูตีตาให้มืดให้บ่อ น, นั้นก็คือตัวนี้แหละออกมาจากอวิชชาปจิยาสั่งขรานี่ถึงปัญหา เทวโหติลังคงที่ท่านแสดงไว้น่ะวิชานี่ผมพูดย่อๆเอาเลยพอตั้หายะก็ขึ้นถึงพบถึงชาติจากนั้นก็เอวเมตต า, าเกวะรัสะดุขขั้นตาสะสมุรยโยโหตินี้คือสมุทัยล้วนๆน่ะท่านว่านังั้นนี่วิชาตัวนี้แหละใครรู้ใครเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงรู้ทรงเห็นทรงถอดทรถอนออกจากพระไทย จนจิตพระไทยนั้นสว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกถัดแล้วเองได้นําอุบาวิทีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกจนถึงกับได้รู้ตามเห็นตามได้ยึดกัจจนาฏเป็นที่เพิ่งเป็นพึ่งตายฝ่าเป็นฝ่าตายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์พระสรงขวนขวายด้วยพระองค์เองนั่นแหละ นี่เราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยาได้ขออยาได้ปล่อยไดละได้วางทางดําเนินที่เป็นไปเพื่อความชินทุก์ที่ออกมาจากสวขคธรรมจากไร่ช่อรอบแล้วทุกแหนทุก ม, มุอย่าข้ามยาแทรกอย่าแซงอยาปีกซ้ายปีกขวาให้ตรงไปตามนี้เรียกว่าเป็นแนวมัตสิมาคือเป็นแนวทางที่ก้าวเดินเพื่อความบุญปนโดยถ่ายเดียวเท่านั้น มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แล้วขอให้นำงานอันนี้ไปทาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่กล่าวมาแล้วนี้สถานที่อยู่ที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกไม่คุ้กครีตีโมงหรือไม่มีมสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็น้าสิบนั้นเข้ามายั่วยวนหรือเข้ามารบ ก, กวนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเรื่องของมรรคผลนิพพานนั้นคาอาการิโกของ ทำท่านบอกไว้ว่าอ่ไม่มีการสถานที่วเวลาขอให้ดำเนินเถิดความจริงไม่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงก็ขอให้ดำเนินโดยความสม่ำเสมอและจะคงถึงธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแ น, น่นป ร, ราศจากเรื่องสมมุติโดยประการทั้งปวง ด, ดังพระโพธิจารย์และสาวกท่าน ได้สวยที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าท่านนิพพานน่นหมดแล้วเรื่องธาตุดิงขันธ์อันเป็นความรับผิดชอบยังเป็นธรรมชาติที่ บ, บร ม, มสุขเต็มที่ไม่มีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเกาะรับผิดชอบใดๆนั่นท่านวานิพพานาเป็นอย่างนั้นนิพพานในครั้งพุทธการความสิ้นจิตเลียดในครั้งพุทธการมีฉันใด มีไปจากอันใดนิพพานในหัวใจของผู้ปฏิบัติที่เป็นไปจากหลักธรรมเครื่องแก้เครื่องไขนี้ก็มีฉันนั่นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นที่ว่าท่านบนรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุผลกุงกาอะไรเหตุผลกายนั้นคือปฏิปทาเครื่องดําเนินที่ถูกต้องนิยามเมื่อเรานํามาดําเนินก็เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องนิยามเช่นเดียวกันก็ย่อมเข้าถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวก ท่านเด็ถึงแล้วชึงเรียกว่าอากาลิโก้ท่าไม่มีการนี่มีเรื่ําเวลาการผ่านไปของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นเป็นการเป็นเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมมตุติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธาตุขันของท่านของเราด้วยกันทุกคนจะต้องแปลสภาพสลายตัวลงไปเช่นนั้นแต่สาานธรรมที่สแสดงไว้แล้วอย่างคงเส้นคงวาหนาเ น, น่ยนี้ไม่เป็นอื่นสําหรับผู้ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นแล้วมีหวังต่อมรรผลนิพพานโดยสมบุติ ขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปบบพืชปฏิบัติกาจัดสิ่งที่เป็นปิ๊เป็นภัยนี้ออกจากหัวใจเมื่อใจนี้ได้หมดสิ้นจากสิ่งที่เป็นปิ๊เป็นภัยที่เผาไหม้มามากต่อมากนานแสนนานมีเราเป็นสําคัญสิ้นไปจากหัวใจแล้วเป็นอย่างไรหัวใจที่ที่สิ้นกิเลสแล้วกับหัวใจของเราที่เป็นครั่งกิเลสมาจา ก, ก่อนเอามาเทียบดูสิในใจดวงเดียวนั่นแหละเป็นเป็นเหมือนกันไหม คำว่าความสุขความสุขที่เคยผ่านมากับเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องใดก็าตามกับความสุขที่ว่าบรมสุขของผู้สินรีเหลียบนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องเทียบมันก็รู้เองในหัวใจคนนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสมมุติที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้แล้วเมื่อจิตได้ผ่านพ้นจากสมมุติคือแดนโลกธาตุนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรจะถามใครพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่าน รัตสรู้และบรรลุธรรมมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านนั้นล้านนั้น้า น, น, นพระองค์ท่านไปถามใครมีรายใดที่ได้สงสัยในความดุจปนตนแล้วไปถามนิพพานของตนไม่สมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของตนไม่สมบูรณ์ก็ได้ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดด้วใครก็ตาง ม, มีหมายไม่เคยมีเลยนั่นพระสมบูรณ์เต็มที่นิพพานของพระเจ้าสมบูรณ์ชั้นใดนิพพานของพระสาวกก็สมบูรณ์ชั้นนั้นจิตของพระเจ้าบริสุทธิ์ชั้นใดจิตของสาวกก็บริสุทธิ์ชั้นนั้นจิตของผู้ปฏิบัติ ให้ถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าชั้นใด น, นี่กับชั้นนั้นนิพพานของพระเจ้าชั้นใด น, นี่ผ่านของผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี้กับชั้นนั้นนี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้นํานี้ไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าสดสดร้อนรอนแท้แท้นี่สาคัญที่นี่แหละคําสิ่งที่มันกล่อมนี่สิมันใกล้คิดติดพันอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ มีรถมีชาติให้โลกได้ติดได้ด้วยกันทุกภพทุกภูมิไปเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงชอบทำแต่เหตุที่จะเผาไหม้ตนเองด้วยกันทั้งทั้งที่ไม่ต้องการผลนั่นเลยแต่ชอบทำเหตุไี่ชอบกันโดยทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันกล่อมอยู่ภารใจิตใจให้ชอบให้ทาให้ชอบให้สใหสแสวงหา ให้ขวนขวายให้คิดให้อ่านให้ใจให้ตรองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเสมอแม้จะหลับเคริ้มไปมันยังละเมอเพ้อฝันไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักความพ อ, พอใจนี่คือต้นเหตุต้นเหตุที่จะทําที่จะเผาไม้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชอบนักชอบหนาตาก็ชอบดูหูชอบฟังจิตใจชอบคิด ร่างกายชอบขวัญขวาชอบวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่มีเวลาอิ่มพอสัตว์เวลามันคึกมันขนองยังมีการมีเวลาแต่มนุษย์เหล่านี้เพราะอำนาจอันนี้แหละไม่เคยอ่อนตัวเลยมีแต่เสริมกำลังของตัว <c oughs> ขึ้นเรื่อยๆให้สัตว์ <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายเป็นเราดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นถ้าพูดที่เรื่องกองทุกเราอยาว่าจะสัตว์เป็นทุกข์เลยมนุษย์นี้เป็นทุกข์มากยิ่งกว่าสัตว์แต่มองข้ามากันได้เฉย แต่เพราะอย่างยิ่งมองดูหัวใจเราแล้วอย่ามองไปเกินโลกเกินสงสารไปนะเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องทุกข์ของเขาวนทุกข์มันอยู่กับเรานี้เพราะเหตุผลกลไกอันใดของเราเนี่ให้มาดูต้นเหตุเนี่ยเนี่ยที่เราชอบชอบทำเหตุชัตว์ต่งหลายชอบกันดังนั้นชอบทำเหตุแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุอันนี้แหละเผาไหม้กันเดือดร้อนวุ่นวายจิบหายป่นปี้ไปทั่วแดน โ, โลกธาตุ ไม่ต้องการกันแต่ก็เผาไหม้กันทั้งทังทีงทงทงทง่ไม่ต้องการเพราะมีความพอใจวนขวายกับสิ่งกับเหตุที่เป็นไฟเรื่อยมาพาันคำว่าไฟมีราคากินาเป็นเป็นสาคัญโทษสักกินามีราคากินาเป็นเข่องหนุนจึงเผาไหม้ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยเพราะเชื่อไฟนี้มากเท่าไหร่ไฟจะต้องเผ า, าไหม้ไปคําว่าเชื่อไฟคืออะไรสิ่งที่จะมาเสริมราคะตัณหาเสริมความโกรธ ความปรทุชลายมันมันมีกำลังมากมีกาลังมากพ่อต่างคนต่างคนขวายเมื่อเป็นเช่นนั้นทาไมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่แสดงเป็นเปลวขึ้นภายในหัวใจของใครของเราล่ะให้ดูที่ใจของเรามันแสดงอย่างไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ล่ะมันพอตัวของมันมันชอบในตัวของมันเองมันเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่โดยไม่มีใครบังคับบัญชา ดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้แต่นี้มันมีแจกใจที่จะล้างเอาไว้นอกจากวิ่งตามมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงหาจึงมีความทุกข์จนหาขอบเขตต้นปลายไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนี่เนี่ยท่านว่าโลกทั้งหลายชอบแต่เหตุเพราะมันกล่อมได้ดีเพลงของเิเลยนี้มันกล่อมได้ดีมากให้สัตว์ทั้งหลายได้ติดได้พันได้สนใจในต้นเหตุที่จะสอดเสงหาไฟมาเผาตัวเอง ส่วนเรื่องทำมานั้นไม่ไมค่อยชอบเหตุ <h ate> แห่งการบที่จะทำความสุขให้แก่ตนนั้น ม, ม, มันไม่ค่อยชอบและไม่ชอบบาเพ็ญขึ้นชั่วความดีแล้วไม่ชอบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันปิดมันกั้นไว้อีกนั่นเองไม่ให้ชอบให้ชอบแต่กิเลสเท่านั้นชอบคนอื่นไม่ได้ก็เหมือนอย่างราคาตัณหามันไม่ชอบให้ใครมายุ่งของมัน ให้มันเป็นเจ้าของครองโลกแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มันชอบที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันอะไรจะมายุ่งยากแข็งดีกับมันไม่ได้ ม, มันไม่ชอบมม่จึงขัดจึงขวางเพราเหตุนี้เองผู้จะทําดีเพื่อความสุขความเจริญเพื่อพ้นจากอํานาจของมันจึงต้องขี่ตจึงต้องถูกขี่ถูกขวางถูกทําลายจนกระทั่งถึงก้าวเดินไปไม่ได้ในทางความดีตั้งหลายก็เพราะเหตุอันนี้แต่เราไม่รู้เฉยๆถ้าดูตามหลักธรรมชาติ ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังสาวกท่านทรงเห็นแล้วมันจะหนีไปไหนสิ่งนี้มีอยู่กับคนมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมันทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นกันมันแสดงอยู่กับหัวใจแ ท, feature, ท้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นทําไมจะไม่รู้ไม่เห็นมันเมื่อรู้เห็นแล้วทำเครื่องแก้ก็มีอยู่ทําไมจะแก้กันไม่ได้แก้กันไม่หลงล่ะต้องแก้ได้เนี่ยธรรมของพระเจ้าเวลานี้ก็เป็นธรรมที่พร้อมแล้วที่จะสังหารกิเจสเหล่านี้ถ้าเรานํามาสังหารแต่ส่วนมากก็ มอบให้กีเลศเอาเครื่องมือที่มอบให้อย่างกีว่าแต่กีเนี่ยที่สอนแตีนี้ไปเป็นของสวยของงามค่ามามาสังหารตัวเองเสียเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังทาวอนอะไรๆดีหมดดีหมดดีหมดไม่ว่าภายนอกภายในร่างกายของเกา่าขอราดีหมดดีหมดนี่แหละมันเอาไปไปสังหารอย่างนี้เองทำท่านบอกไม่ดีอธทำท่านบอก เป็นของไม่เที่ยงไม่จรังถาวรเป็นของปสปรกโสโมที่สุดในร่างกายของเรานี้มันบอกว่าดีทั้งหมดและเชื่อมันทั้งหมดไม่ยอมเชื่อทำก็ข้อขี้เกล็ดไม่ให้เชื่อนั่นเองขอให้นั่นทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งวันนี้ไม่ต้องถามมามีอยู่ไหมในหัวใจของเราก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองจึงสอนให้ชําระเวลานี้ถ้ามันมีสอนให้ชาระกันทำใหม่นี่การกล่าวีเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นําไปยึดไปเป็นคติ ว่าเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงานเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการสรังหารจริเหลดเพื่อความพ้นทุกข์เป็นบรมสุขไม่นอกเหนือไปจากงานที่พระองค์มอบให้นี้เลยณสถานที่ที่บําเพ็ญก็ก็ก็ประทานไว้แล้วลุกขมูลเสนาสนะั่งอาหารการบริโภคก็ไม่เหลือเฟือพออยู่พอกินพอเป็นพอไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนี่คือทางดําเนินของ ความพ้นทุกข์ไม่ต้องเหลือเฟือไม่ต้องโลภโลเลกับสิ่งใดฐานที่อยู่ อ, อาหารเครื่องบริโภคกีฬาบินธบาัตเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีหรือขาดแคลนบ้างนั่นแหละดีสําหรับผู้เป็นนักปฏิบัติกําจัดกิเลสเพราะกิเลส ม, มันชอบเหลือเฟือเอามาให้3ามเดนโล ก, กฐานนี้ก็ไม่พอกับกิเลสมนงหัวใจของสัตว์โลกมันชอบมากขนาดไหนทําตัดลงตัดลงตัดลงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กดท่วงเป็นเป็นสิ่งที่บีบเป็นสิ่งที่ บังคับหัวใจไม่ก้าวออกหรือให้แบนให้แบนไปหมดเลยก็เพราะความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงมันบีบบีดสีใบหัวใจของคนมันจึงเดือดร้อนบุนบายไปทะโลดินแดนใจท่านธรรมะท่มมาทนเบิกออกเบิกออกถอนออกถอนออกคว้างตาออกไปหมดจากหัวใจให้ใจหมดจากสิ่งนี้แล้วดีดผึงเดียวไม่ต้องถามห า, านิพานนั่นใจท่านต่างกันธรรมะต่างกันอย่างนั้นกับกิเลสนะท่านสอนให้อยู่ในสถานที่เข้ยมๆในสถานที่โออยากขาดแผ่น ฟังสิท่านสอนไม่หมดสิ่งเหล่นี้แต่เรามันมันเอาไปเป็นเครื่องมือของกิรลสให้มันยื้อแย่งแข่งดีเป็นค่าสืบรบคําสอนเบื่เจ้ากลายเป็นคําสอนของกิเลสในเพศแห่งนักบวชของเราเสเต็มพุงเต็มตัวเลยกิริยาท่าทางที่แสดงออกท่าใดกิริยาใดมันมีแต่เรื่องกิริยาของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมสังหารธรรมในเพศแห่งนักบวชของเรานั่นแหละ เราอย่าไปมองไกลให้มองดูตัวของเรานี่มันแสดงอะไรบ้างเวลานี้แล้วเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชมันแสดงอย่างไรบ้างกิเลสเอาเครื่องมือไปถลุงเราอย่างไรบ้างให้เราดูถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วเราจะเห็นเรื่องของกิเลสเราจะได้แก้กิเลสค่ากิเลสแหลับแตกกระจายไปตามเพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้ดังที่อธิบายเมื่อฟังสักครู่นี้คือเกเสาโรมาตและลูกกมลเซนาสนงนี้เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกิเลสจะต้องพัง พอพูดใจจาร ะ, าะสราบอกทั้งหลายท่านพังเพราะคิดวของท่านพังพราะสถานที่เหล่านี้งานเหล่านี้แหละจงยึดโยงเกาะไว้ให้ติด ก, กับหัวใจของเราใจของเราจะได้เย็นใจขงเราจะได้สบายดังที่กล่าวแล้วนั้นปนะ่ะบรมมาสุขออกจากงานอันนี้เละเมื่องานนี้สําเร็จแล้วไม่มีงานใดทําอีกแล้วงานทางธรรมะนี้เป็นงานที่สําเร็จได้ สิ้นสุดยุติลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกซึ่งทาเท่าไหรก่ก็ไม่มีสิ้นสุดยุติจนกระทั่งจะของตายไปก่อนยังห่วงงานงานยังไม่เสร็จนี่โลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องทานี้บุชิตังประมาจจารยย่างคำเดียวเท่านั้นประกาศกลางวานไปหมดทั่วแดนโลกฐานว่าหมดแล้วความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงพัวพันกับการเกิดตายในวัตตะงษานี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเพราะนน งานคือการชำระเจตสังขารเจตสิทธิได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยวุชิตังปรมาจาริยังนั่นกตังกริยังนี้เป็นจิตที่ชอบทำมาอย่างยิ่งได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ล ว, ลวนั่นมีหลังงานอันนี้เป็นงานสาคัญขอให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเส ร, ริฐเลิศเลยให้ดูตรงที่ประเส ร, ริฐเลิศเลยทำท่านประเส ร, ริฐเลิศเลยพระสงฆ์สาวกท่านประเส ร, ริฐเลิศเลยให้ดูจุดนี้ผู้ต้องการความเลิศเลยถ้าดูผิดอันนี้ไปแล้วจะมีแต่ผิดแต่พลาด แล้วจุดท้าก็จมโลกเขาจมชั้นใดแล้วก็จมแขนนั้นอ่ะการว่าอยู่ในวัตฏต์วนคือความเกิดตายนี่โลกก็มีเขตแดนชั้นใดไม่มีฝังฝ่งมีฝาชั้นใดหัวใจเราตัวของเราเองก็มีฝั่งมีฝาชันั้นเพราะเดินแถวเดียวกันกันกบโลกจะไปผิดจากโลกอะไรแม้จะเป็นเพศผ้าเหลืองหัวโล้วนก็ตามถ้าลงทํางานให้ผิดจากหน้าทางเยา้าผู้พามเนินเพื่อความสินทุกขแล้วมีเตจะเข้าหาทุกข์ทั้งนั้นแหละตั้งใจปิณิพิจนา ผมก็เหนื่อยอุตสามาวันนี้นะตั้งใจมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วว่าท่าขันนี้เป็นลงมาโดยลาดับแล้วนะบอกแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามาไม่อยากเล่ น, นอะไรกับใครกับอะไรใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้หดเข้ามาอยู่ตัวเดียววันหนึ่งวันอยู่องค์เที่ยวคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งทรงท่าทรงขัน ที่แสนหนักหม่วงที่พาราฮเวปัญจากขั้นทานเนี่ยมันเป็นภาระอันหนักเพียงเท่านี้ก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้ำซ้ำยังจะทานมันไม่ไหวมันหนักวัยแก่ลงมาเท่าไหร่กําลังมังชา ย, ยิ่งมีน้ําหนักนี้มันยังมีอยู่มากภายในร่างกายของเราแล้วก็ทานกันไม่ไหวี่ก็ทนเอาเทียนนาว่าการความจดจําก็หลงลืมไปหมดไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยคอยแต่จะหลงจะลืมจะขาดจะ ต, ตกไปแล้วไม่ได้ถอยด้วยความ เป็นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาลมนี่ให้ตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติกาจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อเราซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วความเจริญรุ่งเรืองเราไม่ไปหาที่ไหนอะไรจะเจริญก็สู้หัวใจเจริญด้วยทําไม่ได้นะเราอย่าไปลงลมปากเพราะว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญนั่นอะไรเจริญพิจารณาดูสิเรื่องของโลกเราอย่าไปขัดไปแย่งเขาสิ มันเป็นเรื่องของเรื่องของธรรมมันจะเป็ยนยังไงให้ดูตัวเจ้าของนี่เพราะเราเป็นเป็นผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อสลับละโลกทั้งหลายก็ามาอย่าเอาโลกมายุ่งอยู่นุ่นวายไม่ดูถูกโลกไม่เหยียดหยามโลกเอาวางไว้ตามสภาพของโลกของธรรมแล้วบำเพ็ญตัวของตัวให้หลุดพ้นประเดิมดับดับนี่แหละเป็นสิ่งที่เลื่อนเลยสังฆ์ฆังสังฆฉามีจะปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราดวงหลุดพ้นแล้วนี้ เรื่องปัญหาการเกิดตายนี้ขาดสถาบันลงไปในปัจจุบันไม่เคยเห็นก็ตามไม่เคยดูก็ตามชั้นที่ดิโกคือศาสดาองค์เอกประทานไว้แทนพระองค์แล้วจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราุบที่บริสุทธิ์นี้แหละไม่เป็นอื่นยังขอให้ท่านหลายตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมในช่วงป่วยรู้สึกเหนื่อยเอาละพอถ้าคำรู้สึกว่าอ่อนไปอ่อนไปเลยแต่ยังมีอยู่ที่ว่าชั้นยังชั้นพอถูพอถ่ายนไม่ฝืน ถ้าถ้ามั น, ม, นมันขยะขยะ ม, มันเห็นอาหารเป็นการสูงเนี่ยโอ้ไม่ได้นะฉันไม่กี่คําก็ต้องหยุดอันนี้พอถูกพอไถถึงไม่ไม่คิดอยากก็ตามไอ้เรื่องนั้นมันจะคิดอยากไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ขาดขันหมดความอยากถ้ามันมียิบนิดนึงแล้วนั่นแหละฉันไม่มากนะแต่นั่นๆจะมีทีแนตะ่ตั้งใจปฏิบัตินะพระใหม่เวลาได้มาบวช ถ้ทาท่นเรานีได้มอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกัศาสะนาด้วยการด้วยความเป็นนักบวชีนนวเลิศแล้วไม่ผาจะให้เขาต้นละห้าพันเลยว่างไงท่านสุชาตสงสารเขาจะให้ต้นละห้าพันเลยบอกเขาใช่ไนมนะบอกว่าเราจะเอาสามพันท่านบอกว่าท่านจะให้ต้นละห้าพันเลยเท่านสงสารบอก น, นะบอกเลยให้ต้นละห้าพันห้าพันสามต้นนี้เราจะให้หมืนห้า เพื่ปอยู่ให้โลกน้นี่ทางวัดเราไม่สนใจเลยก็อนเราทาอย่างนั้นตลอดทำปไปอยู่ให้โลกนี่นนนนนกับข้ออะไรข้อความสงสารดิมมันจะมีหัวใจม้าเมื่อไงมันมีแต่วความองสาร <c oughs> กูบอกแล้วว่ากินมันอ่อนจะชั่วแดนโลกกระทับ <c oughs> นั่เงียบดเงียบงั า, ง า, งนานมากนี่กความเนื้อตาอ่อนนี่มองเห็นเด่นชัดถ้าว่าจะเด่นนะอะไรไม่เห็นเด่นยี่ก <c oughs> ความอ่อนโยนของจิตที่มีต่อโลกเพรานั้นเราเห็นอะไรมันก็สงสารเลยมาเติมน้ำมันนับกัดอดไม่ได้นะมาเติมน้ำมันคือเมือนผลก็มีผู้หญิงสองคนเขาหากเขามาขายนะเพราะอย่า้วเ่ข้าก่อนก็ใช่ก็มพวกนี้แหละคนก็ขเขาจำจำหลวงปู่ได้เขา ขอให้มาเปิดประตูเขาจะกราบห้วงปู่เขาวางผมปู่และผมไม่ให้สินี่ท่านไม่ไดให้คนกถไฟไปไสั่งเ <c oughs> ขาเรียกเขามาสหาบับสองคนให้เอาหมดเลยเนะาะนั่นเป็นั้มเนาะเอาหมดเอาหมดสอหดงหบับเอาจะหาเปลส่งคืนเขาของนั้นเอาหมดเลยเป็นั้นเนาะเขาจำได้เขาา เขาจะจผมได้เขาบอกว่าคยเห็นน้องปู่มาเสมอเขาว่างังนเขมาขอก่ามาขอคนรุ่นมาเปิดประตูเก่าเขาเห็นเขามองเห็นได้ะลรนะเพราะผมไม่ไม่ออกเขาเคยเห็นจริงๆว่าสั่งภายในข้าก่อนเหมือนกันมันก็ยังงั้นดูแล้วยังไม่ได้ดูดูว่าเขาวัยขนาดวัยเท่าไรอายุประมาณเท่าไรแล้วจะมีลูกกี่คนนั่นเรื่องมันน่ะ มันทําให้เจอในขณะสมาฮมันนี่มันอดได้แล้วมันถงสาเอาหมดเอาหมดไปที่ไหนเหมือนกันซื้ออะไรเขาไม่ต่อแล้วไม่จองจริงบอกคุณบอกคุณซื้อเลยหมอกจะไม่ให้ต่อเพื่อความไม่ตามมีในนั้นในนั้นนะถึงจะซื้อก็มีในนั้นก็เมตตาซื้อมากซื้อน้อยความเมตตาเป็นกรณีพิเศษมันเป็นลอกษณะธรรมชาติมันมีในนั้นเพราะฉะนั้นควรจะออกช่องคือว่าไม่ให้ต่อก็ออก การซื้อขายธรรมาดาเป็นอย่างย่อให้ต่ออยูอ่ย่อมเป็นพยายามประกอบความเพลห่ือเรื่องความเพลียนหรือดอกความเปี่ย น, ยมยนมามันก็อยู่กับนั่นซะอยู่กับการค่ากิเลสไม่สนใจกับอะไรนอกหนือไปจากนั้นหมูนตืี่ยวเี่ยวนั่นถึงไม่ใช่เป็นขั้นที่หมุนก็ตามข้อบังคับอะไรมันมีในตัวให้หมุน มันจดอ่อต่อเนื่องกั น, นเรื่อยๆความเพียรไม่ได้ไมต้องพูดถึงว่าความเพียรอัตโนมัติน่ะความเพียรที่จะต้องถูต้องถ่ายนี่มันก็ถูถ่ายของมันยอยู่ตลอดอย่างไม่ปล่อยไม่วางเพราะงั้น ม, มันยุ่งกับอะไรเสียเน่ยเพราะนั้นจริงไปหาอยู่ที่ที่ที่ ท, ท, ทก่าวตะที่เนี่ยเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรแม่ขาดว่าขาดตอน งาน่ในป่าในะเขาในะทับน ะ, ะไรไปอย่างนั้นงานไม่ให้ห น, นีผมเอาจริงผมงานมายุ่งผมไม่ได้เลยทั้งวันผมมุดฟัดก็มุดไปอย่างนั้นก็ <c oughs> เดชะนะต้จะออกปฏิบัติหนัง <c oughs> ผมไม่เคยมีงานอะไรไมายุ่งผมเลยมีงานอนเดียวเนั้น เพราะแม่ปัญญาแล้ววิญญาณกับจิตนี่เราจะแยกยังไงมันรู้เหมือนกันวิญญาณกับวิญญาณรับทราบไม่แยกมมันก็มันก็ดับมันเองเช่นได้ยินเสียงค้อค้อไม้ปอกเนี่ยมันก็ได้ยินแล้วนั่นแหะวิญญาณทางเสียงพอเสียงไม้ดับลงวิญญาณนี่มันก็ดับถ้าวิญญาณในขันห้าแต่ถ้าจปฏิสิที่วิญญาณขึ้นจะไปเกิดนี่ก็กินตรงนี้เองมันจะเอาอะไรมาดับมันไม่เคยดับคําว่าวิญญาณวิญญาณ ปฏิสิทธิวิญญาณคือก็หมายทั้งจิตที่จะกล้าเข้าสู่ความเกิดนั่นเองรุติสนทิเนี่ยสันทิคือความเข้า ไ, ไปแตแทรกไปเกิดนั่นแหะรุติก็คือความเคลื่อนความจากความตายถ้าเป็นปฏิสิวิญญาณนนี้ก็บจิก็อันเดียวกันถ้าจิตธรรมดาเราก็เรียก ว่าคิดตัวเราจะเข้าเกิดไปเกิดท่านบอกวันทีที่ยาิไปเสียเนี่ยก็คิดอันนี้แล้วอ๋อทีนี่ละเอียดจริงๆนะบงทีก็ละอียดพิเรศละเอียดเนี่ยจริงๆนี่เลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอัศจรรยนจริงๆนะผมนะม่ใ่อัจจรรย์มาพูดเป่าๆะมันเป็นนี่ของจริงจริงนี่ถึงจริงๆถอโธกม็มีใครรู้มีใครบอกวิธีเรือทำไมถึงไปรู้ได้ ันของธรรมชาตินี่นี่เราท่านแมะท่านบอกวิธีการพอแล้วมันยัเหลือคาเหลือไปนอกรู่นอกทางไปได้มันต้องไมีใครบอกเลยมันมันมลึกลับขนาดนั้นน่ะจิตเนี่ ย, ยเพราะฉะนั้นมันถึงกลอมโลกได้ว่าตายแล้วสูนย์นักตัวนักตาย ก, ก็ก็คือจิตเนี่แหลตายไปเกิดไปตายแล้วมันยังว่าได้ว่าตายแล้วสูญไม่รู้ที่หนัมันเรียกขนาดนั้นถ้าลวงพิจุนะ่าเข้าไปถึงจุด แ, แล้วมันเอาสูนย์มันจากไหมนว่างั้นเลย อตามมันเข้าไปตามจิตมันเลี่ยเข้าไปเท่าไรมันยิ่งเห็นชัดจิตชัดๆเอาอะไรมาสูนยญนะมันก็ร่างภาพพอดีวัิตัววิญญาณที่ว่าถ้าถ้สติเราทันทั้งขานจะไ่เกิดหลยถ้าสติเราทันทั้งขันจไม่เกิดเลยมันเกิดเรื่องของขันธรรมลาของกันมันจะมันจะระงับไปเป็นเวลาแล้วมันก็เกิดจะเกิดของตังขานที่มีสติควบคุมกลับ ทมีิมันต่างกันที่ทีสิส่วนมากมักจะเป็นสมุทยที่มีทีิถึงจะเป็นก็ดับในขนาที่รู้ดับนะยิ่งว่าให้ร่วมเป็นสมุทยแล้วมันยิ่งฟัดกันเลยลมันจะเป็น ม, มนทให้ีิมันจะเป็นมัดเป็นมทมีิว่างเลเป็นมัดเนจริงจริง คือทีเหลือต้องจิตมันละเอียดกือบว่าพอกันแต่ที่เหลือต้งทั้งได้จิตไม่ทา้งนะจึงว่าอันนี้มันไม่ไมละเอียดเท่าจิตมันเป็นสมมุติอันนี้อันนั้นเป็นธรรมชาติเมื่อผ่านไปอันสมมุติคือเหลือตัวตละเอียดก็แปลว่าเวลาธรรมชาติอันนี้คือมันแสบนี่ย ไ, ไม่รู้เลยนะผมที่พูดคือว่าผมป่วยเป็นโรคหขาคัดหมว อ, อักจังว่างั้นมันถึงชัด มันยังในขั้นนั้นนะขั้นที่มันมีอยู่ถึงมันไปต่ออลไรมันก็มันยังของมันมันรู้อีกอยู่มันจะว่างคืมันจะไปต่อเพื่อพบนั้นผมนี่อะไรต่อไปเหมือนอย่างกระโดแบบมันไม่ไปมันหมดมันก็รู้มันขาดมาขาดมาอะไรคือมันยังนี้มันี้มันจะไปไหนมันก็รู้อีกเนี่ยถึงแม้ว่ายอมให้มันไปเล้วเสียดายอย่างอะไร ชีวิตยังไม่อยากให้ตายยังไม่อยากตายเพราะอันนี้ยังไม่ยุติกันเหนื่อยเนี่ยงานยังไม่เสร็จอ๋อรู้ว่ามั่นใครไม่บอกันรู้อยู่ว่าง่ายเมนึกว่าสันติทิโก้ใช่เนี่ยชาติดาองค์เอกคือสันติทิโกนี่เองแทนพระองค์ป้าก็ไปรู้เลยรู้เลยรู้เลยสันติทิโก้สันติทิโกประกาศในนั้นในนั้นในนั้นเลยมันมันเห็นเป็นชัดรู้จะชัดอย่หรือไงสงสัยไปไหน ละเอียดขนาดไหนมันก็มันก็ไม่พ้นสติปัญญาที่เหนือกว่าเหนือกว่าหรือทันกันทันรู้เท่าทันกันหนือจะรู้ได้มันพ้นไปไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้มัรู้เพรนั้นมึงต้องบอกวันยังมีอยู่นี่ละเอียดขนาดนั้นมันยังมีอยู่นี่เนี่ยมันรู้อยู่งั้นแต่เวลานั้นมันยังแก้กันไม่ตกมันมีมันยังไม่แก้กันไม่ตกันก็รู้อยู่ชัดชัดชัดชัดแต่ก่อนพวกเราเคยเขใจมา มัดอลมันหมดไปแล้ว ม, มันต่างหาเข้าใจบ้าๆไว้งั้นแหละคนี่หลาพาเป็นบ้าดูเอานี่เป็นทมหาจะี่ประโยคนี่หประโยคใช่หรอือเปล่นั่นสินั่นเป็นมหาถึงหกขั้นที่ลหกประโยคแล้วก็เป็นบ้าหกประโยคอีกนะเข้าใจไปละ่ะอย่างนั้นความจำต่ังหาไว้ว่าท่านว่าเราแล้วใครเหมือนกันนั่นเนี่ยผมก็เรียนเหมือนกันเขาท่านก็จะสงสัยอะไรแก็แบกไปงั้นเราแบกภูมิมหาไปตามชื่อตามนามที่ตั้งนะ แต่จะเอาเอามาปฏิบัติประกบอบเครื่องมือนี้สําหรับนี่เครื่องมือนี้เท่าไหนมันทําไม่เป็นไม่ไมเข้าใจนั่นสิเออเรียนเรียนเหรอเนี้ยที่เอาไปปฏิบัติจนมี่จะเรียนมาทงนั้นแหละแต่มันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นพอไปถึงขัน้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ดําเนินเคยดำเนินแล้วท่านว่านี้มันก็เหมือนกับว่าเอานี่ทํำนี้เอานี่สําหรับนี่อันนี้สําหรับปันอันนี้สําหรับเลื่ออันนี้สําหรับเจาะอะไรทำนองนั้นแหละเขาไปเครื่องมือนะอย่างนั้นผมก็เข้าใจอ๋ออแล้วก็เล่าสนใจอยู่แล้วนี่เอย่างั้น มันความจำความจริงมันต่างกันความจำเราจำได้มามันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาจะเรียนวิชาต่างโลกเขาจำได้มาได้มาจำธรรมะมันก็เหมือนกันเลยเราจะว่าเราเอกเลยเพียงจำธรรมะได้เขาจำชื่อจำเสียงของอันนั้นสิ่งนั้นสี่นั้นนั้นได้ธรรมดาที่ดเดียนไม่ได้ถลอกเปล่าเปลืงแม้แต่นิดหนึ่งแต่ว่าเราจำได้แต่ว่าเราดีได้ไงนี่ถ้ามันที่ดเดียนมันยังสวมรอก็อยู่กับทอเราหนี้ในสาเด็จขั้นนั้นแล้วได้ได้ขั้นนั้นแล้วคั้นนี้เราใช่ไ้มล่ะนั่นมันมันสวมรอยก็ไป ว่าที่นี่มันจะกล้าวไม่ออกมันหนักความรู้ความจิงมันหนักมืเด็ดตัวทิ้เอะตัวสำคัญมันไม่รู้พี่งูเวลาไปปฏิบัติที่มันตกออกตกออกตายออกเอาออกเดียวอืมันก็รู้กันะสินี่อย่างงั้นแล้วเฮ้มันจะถืออะไรเนี่ยบางครั้งมันถือก็ไม่ถือนี่ว่าไงบางครั้งไม่ถือก็ไม่ถือเมื่อมันรู้แล้วเอาอะไรมาถือเนี่ยเมื่อมันไม่รู้บอกว่ให้ถือมันก็ถือใช่ไหมเราไม่รู้ที่เดิมมันถือหนักมันเป็นอย่างนั้น ผมหนึ่งเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่เรียนเนี่ยเขาจะว่าผมเป็นหลวงตาผีบ้างมันหับหูรับตาพูดเขาจะว่ามันพที่เรามันเรียนมันมันเข้าใจทั้งภาคปริยัติคือความจำใช่ไหมล่ะมันเข้าใจทั้งภาคปฏิบัติคือความจริงเนี่ยนี่เท่เพราะนั่นมันออกมาพูดได้ทั้งสองเนี่ยไม่ใช่คุยมันก็พูดได้ก็พูดได้ก็บอกว่าพูดได้ยี่ย่างเทสอันนี้ก็ว่างจะว่างไงมาเทสอย่างนี้แล้วไม่ทราบมีได้ก็ผีด้วยมีเลยแต่ความจริงมันมีจะว่าไงแน่ใช่ไหมล่ะ แล้วที่พูดตามความจริงอย่างที่พูดเหล่านี้เป็นความจริงไหม น, นั่นมันเป็นความจริงแล้วก็นั่นแหละคือธรรมนะครับจะจดจาริ้วด้วยจดจาริ้วก็ตามให้เจ้าของจดเอาที่เจ้าของเก่งจดเอาซี่ได้อยู่นี่ลู่เอาเห็นเอาซี่ถ้าเจ้าของของเก่งไปหาอะไรไปหาจําของด้านมาเอาหนานาท่านก็นจดท่านก็นจดจาริ้วให้มากต่อมากแล้วนี่ใจไหมล่ะอืมเอาเจ้าของหาเอาบ้างเลจยจากภาคปฏิบัติของเจ้าของเหมือนว่าปริญัตปฏิบัติปฏิเวชนี่เห็นไม่ สามเกลียวถ้าเป็นเชือกสามเกลียวปันเขาติดกันเกลียวโยกกันแยกกันไม่ออกเวลาเข้าความจริงมันมันมีน้ำหนักมากนะความจําไม่ว่าท่นานหเราจําจได้จําได้มันไม่มีน้ําหนักแม้จะเทศน์าว่าการก็เพราะเป็นคําบอกเล่าไปเรียนมาเป็นคําบอกเล่ามาแล้วก็ท่านว่าไงก็ว่าการทำนั้นพิรุธูก็ก็คำพีท่านว่างนะั้นก็ไปนั่งเถียงเจนแม่ ถ้ามันลงเป็นความจริงมันเจอมันเห็นโดยเจตของเราโอผึ่งผึ่เลยเนี่ยเออไม่ได้โกระทลาภเนี๋ยวมันเห็นจริงจะว่าไงเน่แล้วเหมือนอย่างเด็กนี่วก็ไปเห็นเหตุหการณ์อะไร น, นี่เราไปเถียงเขาสิเดี๋ยวก็าขี้นาเอาเนาะเถียงว่าไม่ถูกไม่จริงนะหนูเขาจะขี้นาเลยผู้ใหญ่นี่เกิดมาเสียเข้าสู่ข้อสารหรือเปล่าเนี่ยเขาจะว่าไม่ได้งานในการอะไรไม่รู้เรื่องอะไร ม, ม, มาเถียงเด็กว่ะเขาจะว่าเอานะ ก็เขาเห็นมันจิงเขาก็เขาก็โต้เลยที่ใช่ไหมล่ะนั่นนี่ก็เหมือนกันความจริงเราต้องได้เจอได้เห็นเนาะเอาเลยอาหารผมมาพูดที่เป็นนักเรียนอย่างพวกนี้ร้อย้อยจะต้องหลงกันฮะส่วนมน้าจะหลงไปเลยจะอะไรจะหลงหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรแล้วมันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นล่ะไม่ว่าท่านว่าเราผมมันก็เป็นมาแล้วที่ได้เอามาพูดความป็นจะของเนี่มาพูดจํามาเท่าไหร่มันจําเลยเฉยคิดว่าไว้ผิดอะไรก็ เขาจําอันนั้นเขาเรียนวิชาทางโลก่ะเขาก็จําได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าไม่มาปฏิบัติมันเป็นเพียงภาคทฤษดีมันก็จํำได้เฉยนันก็ดีใช่ไหมล่ะอืมเล่านี่ก็เหมือนกันเป็นภาคที่ดีคือการศึกษาเรียนมาสิไม่เป็นภาคปฏิบัติมันก็มีแต่ปริญญาต์มีแต่ความจําเต็มหัวใจความจริงไม่มีแน่นี้พอปฏิบัติก็ไปมันก็เจอเข้าเจอเข้าอย่างท่านวาสมาธิหรือจิตสงบนี่นี่เจอแล้วนะนี่เจอในนี้เนี่ยเมื่อทำลงไปมันก็เจอถ้าไม่ทําก็ได้แต่ชื่อแน่ นั่นแหละคือว่าความจริงความจริงอย่างที่เขาเล่าแปลว่าวัดปา่าบรรทัดเราได้ยินแต่เขาเล่าเราไม่เห็นเองนั่นก็เป็นความจําใช่ไหมล่ะที่พอเรามาเข้ามาซะเองมาวัดป่าบรรทัดซะเองมันก็เป็นความจริเงเห็นแล้วโดวยตาแหน่นั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้เป็นครอบใหญ่เกี่ยว ก, ยวกับชาตอยู่แล้วนี่ความจริงกับความจําจะให้มันเหมือนกันได้อย่างไงมันไม่เหมือนทำให้ไปตกถึงเรื่อ ง, งกรรมาฐานเรากี่พักที่อาศัย การเปลี่ยนชวมธรรมเพื่อความสะดวกเา น, นี้นี่แหละอันหนึ่งนะเลยหดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาตัดรับเข้ามาเลยมีแต่เป็นจุดเป็นจุดไปอยู่ในป่าใ น, นเขาก็ไม่สะดวกเสียอย่างนั้นสิวกรักษาป่ารักษาเขานั่นเป็นธรรมก็ดีอยู่นะพระได้ประเสริอาศัยอยู่ที่ น, นั่นที่ไหน สะดวกสบายภาวนาถ้าผมเองถ้าเผมเองมันหนักเข้าเรื่อยๆนะภาระนะท่านพนันภาละนับวันหนักเข้าหนักแต่กําลังรออยู่กับความรู้สึกของเราเนี่ยมันหดมันย้นเข้ามามันเข้ากันลําบากนะมันหดมันย้นเข้ามาจนข้ามไม่รื่องกัอะไรเลยวันหนึ่งวันหนึ่งการเกี่ยวข้องกับพระผู้คนพระเนี่ก็ต้องต้องมงคับ มันเหมือนแล้มวมันเหมือนแต่ว่ามันเป็นขมันเองนี่ไม่ใช่เราตั้งใจมันเหมือนกับมันทอดอะไรอะไรอะไรเลยหดเข้ามาจนเข้ามามันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามานี่มันจะปล่อยไปได้ไหนปล่อยไปมันจะปล่อยไปทั้งร่างกายในนี้นา่ะมันปล่อยนี้เขาจะว่าตายจะว่าไงมันปล่อยเข้ามาหดเข้ามาจ่นเข้าอันนี้ก็ไปพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วเพูดจริงๆอย่างนี้แล้วมันไม่มีเขาบอกไม่มี อะไรอไรก็รู้มาซหมดทุกิ่งทอย่างให้รู้อะไรไปอีกอย่าว่างัน <c oughs> นะก็สะให้รู้อะไรอยูู่แะเนี่ยจะให้ปล่อยอะไรเอเนี่เพรายังเหนือยแต่ความรับผิดชอบรับอะไรนั่งห น, นาก็เห็นได้ความพิเศษี่สโสอะไรเนี่ยนอกจากเราช่วยโลกเท่านั้นเองแะก็มีเท่านั้นที่เราอยู่พราะที่จะเป็นไปโลกพอจะ และาได้รับประโยชน์จากเรามากน้อยกันไปแลก็อยู่ไปอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้าลําพังผมแล้วผมพูดจริงๆตามตามความรู้สึกนะผมไปนานแล้วนะผมจะไม่ไปยู่งมันเลยมารักษาเลยตอนที่มันจะไปมันมีไม่รู้กี่ครั้งกี่คนแล้วนะอย่างที่เห็นได้ชยท่น อ, อย่างที่ผมเชื่นว่าถ้าเรานอนนี่มันจะไปมแล้วไม่นอนนี่คือคือร่างกันไว้เนี่ย แว่าแบบเอาปอตามเรื่องนะถ้านอนมันจะไปเอานอนนันก็ไปจริงไม่ผิดมันไม่รู้อยู่ในหัวใจมัน จ, จะเอาอะไรมาผิดว่างี้เลยเคาจะว่าบ้าก็บ้าสิแต่กวนมันก็ไม่รู้นี่เวลามันรู้จะไม่ทำไมจะไม่ให้พูดบังหนาหอือน ะ, นะนนกม่รู้จริงๆนี่เวลานั่นปุบปับขึ้นมานั้นมันแจ้งไม่ทันเราก็เราก็ยกตัวอย่างให้แล้วเช่อนอย่างน้ำมวยอ่ะแชมเปี้นยนก็แชมเปี้นยนถึงหนาวางี้เลยถ้าลงนอนหนับเขาคข้ากัาแล้วเขาความไอยู่หัวมันมีท่าทางอะไรที่จะ ต่อสู้เข้าใจไหมก็มันหลับเข้าๆกันน่ะนั่นแหละแทมเปี้ยมมันก็ตายได้อย่างนั้นอันนี้ก็เวลาหลับเข้าๆนี่โลกมันว่าจะฟังหน้าฟังหลังในขันก็หลับเข้าๆแต่โลกมันอยู่ในขันมันกระสือปึงมาทีทีเดียวนั่นเริสืึงนีหมายแต้กันไม่ทันไปเลยนีมันก็รู้กันอยู่ชัดๆมันจะว่างมันพอล่างเอาไว้ก็ล่างเมื่อมันสุริยแสแล้วแม่ทูตเจ้าอย่างนิพานว่ะเราตัวเท่ากระแตนมันทําไมจะไม่ตายมันอยู่ข้ามฟ้าตรงไหนเนี่ย แต่เมื่อมันพอล้างแล้วล้างเหมือนยาโรคกับยาแั้วแหละเมื่อมันถึงขั้นมันจะไปจริงๆแล้วยาก็ไมมีความหมายแล้วก็โรคมันหมดความหมายมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเอาความหมายไปที่ไหมาใส่กับมันอีกนั่นอันนี้เหมือนกันเมื่อมันหมดสนาของมันเต็มที่แล้วมันหมดความหมายมันแล้วอะไรมาให้มันก็ไมมีความหมายแล้วเราจะไปมั้งก็มีแต่เมื่อเกับแจ้งแค่นี้ไม่ไหมันเป็นงั้นจริงจิง ถ้าปล่อยให้อยู่ลํำพังนี้มันไม่มีอะไรในโลกกว่านี้ฟังสิถ้ามันเป็นัธรรมชาติของจิตจแท้ๆ ล, ล้วนๆมันมีอะไรในโลกกว่านี้อันนี้สมมุติทั้งนั้นนะที่มันสําปะสัมพันธ์นั้นี่นี่เเรื่องสมมูลทั้งนั้นนะเพราะจิตเมื่อยังคลองขันอยู่ขันนี้ก็เป็นสมม revised, ูลเมืก็ต้องรับขันเป็นธรมธรมดาธรรมดานะและ้วสิ่งนี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินั้นนะเนี่ยนะสิ่งที่ออกรับกันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้น พราะฉะนั้นไม่ไม่ได้มีกับสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยแต่ไม่น่านอาศัยออกจากอันนั้นอ่ะเพราะนั้นยังคลองอยู่แต่ความรู้เหล่านี้กระแสเนี้เป็นสมุทต์ทั้งนั้นเนี่ <c oughs> อันที่ไม่ใช่สมมุตินีนั่นแหะอาศัยอนั้นไม่ใช่สมมุทต์ อ, กออกมาเช่นอย่างความรู้ทั่วสรารพัดร่างการเนี่ยที่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยนี่แหละอันนี้ออกมาจากอนั้นแต่ไม่ใช่อนั้นสิเพราะนั่นถึงหดเพิ่มก็ไปเวลา มันจะไปจริงๆมันหดเพิ่มก็ามาเลยนะ่ะ mm. เห็นไหมที่นี่ชัดไหมนะ่ะเพิ่มขึ้นมาก็เอาเต็มลงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยร่างกายเหมือนทำไมาทำฝืนดูด้วยการเฉยๆกับความรู้นั้นความู้นั้นก็ถอนตัวหมดแล้วอยังเหลือแต่รู้เท่านั้นเองนี่แต่สมมติว่าจะปล่อยให้ไปงนี้นันก็ไปอที่นี้พอ เพราะออกอนี้เราสั้นออกไปก็คือความรู้ที่ออกจากนี่สั้นออไปเนี่ยมันเป็นสมมติจะทั้งหมดความรู้เหรอเนี่ยที่สั้นจัลละพานร่างกายความคือความรู้เนี่ยมันออกไปมันเหมือนเจ้าของจิตจิตอันนี้แทบแทบเหมือนกับเป็นเจ้าของที่นี้ความรู้นี่มันเป็นกระแสของ ข, ของความรู้นั้นประสาท ส, ส, ส่วนนี้ใช้นั้นประสาทส่วนนี้ใช้่ไหมเหมือนกับว่าเครื่องมือเรานี่มีอยู่รอบตัวนี่เอาทเทียบกันอย่างนี้นะเครื่องมือฉันเราเราจะทํางาน มีอยู่รอบตัวนี่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วเราก็เราทํางานอย่างนี้เราก็จับเครื่องมือนี้มาทํานั้นจับเครื่องมือนั้นอันนี้สําหรับนั้นอันนั้นสําหรับนั้นอันนั้นสําหรับนั้นอถ้าเครื่องมือนี้มีการเสียเครื่องมือนี้ใช่ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือนี้มีการเสียอันนี้ก็ใช่ไม่ได้เครื่องมืออันนี้ชำรุดแล้วเนี่ยใช่ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือมีกี่เครื่องมันชารุดปลาสลิดสลดมันก็ใช้ไม่ได้ถึงเจะของจะมีชีวิตอยู่ก็ตามเครื่องมือนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ลููกก็อย่นะ เอาที่แยกเข้าไปอีกถ้าถ้าถ้าเจ้าของวิการประสิทธิ์เครื่องมือแค่จะอยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยบางทีเจ้าเจ้าของวิการประสียภายในจิตวการประสียเครื่องมือมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยเอาคนบ้ามาใช้เครื่องมืออะไรได้ไหมนี่เราเทียบนะนี่คือความรู้อันนี้เป็นเหมือนกับเจ้าของประสาส่วนต่างๆนึเหมือนเครื่องมือตาเนี่ย เครื่องมือคือตาเครื่องมือคือหูคือจมูกอันนี้สำหรับดูนี่สำหรับฟังแ้่นี่เวลาตามันมีการเสียเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องมือมันเสียถึงความรู้จะมีอยู่ก็ใช้ไม่ได้ตาตาบอดแล้วเนี่ยหูกันห่วงแล้วอย่างใช้ไม่ได้เถึงความรู้ฉันจะมีอยู่ก็ตามนะเหมือนกับว่าเจ้าของยังดีอยู่ก็ตามเมื่อเครื่องมือมันเสียมันชำรุดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เรืยเนี่ยนั่นฟังกันอยแล้วทีนี้เมื่อเวลามันหมดทั้งตัวแล้วเครื่องมือมันใช้ไม่ได้ทั้งตัวแล้วมันก็ทอดอะไรปล่อยนั่นนย ความรู้มันเป็นอย่างนั้นไปกน้ำมเห็นอย่างนั้นด้วยวะไม่เอามาดูดมาเดานี่นะความรู้เหล่านี้มันจะความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติแท้แต่ความรู้สมมุติคําเป็นสมมุติอันนี้ก็เป็นสมมุติมันอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจึงว่าใช่กันอยู่ใช่กันอยู่อยางนี้เองนั่นเอนี้พอความรู้นี่มันจะปล่อยเครื่องมือทั้งหลายแล้วนะไม่เอาแล้วนั่นแต่อย่างที่ว่าความรู้นี่ขดเข้ามาปุ <ping fine> sheep, so choose, well, in ๊บนี่ปล่อยแล้ว แ้วสาร น, นั้นไม่อยู่ความหมายประสาทส่วนนั้นมันจะรับอะไรที่นี่ไม่รับตาก็มันมันเลยบอดแล้วหูเลยหนวกตู้สนีนอยากเลยบอดเป็นธรรมะที่ฝืนไปแล้วมันรับอะไรประสาส่วนต่างที่จะรู้นั้นวนี้เหมือนอย่างเรา ท, ที่ที่เรารู้เนี่ยมือสําหรับจับนั้นจับจาบผันนั้นสมา น, นี้มันรู้อยู่ในด้วยมืออย่างนั้นนั้นนี้มันเอาอะไรมาลูกนั่นจะของเข้าไปแล้วประสานี้จะทิ้งอยู่เปล่าเปล่าอยู่อะไร น, ะนั่นแล้วจะไปจริงก็ไปอย่างนั้นเนี่ย ทั้งเดียวความรู้เรานี้เป็นสมมติฐานหนาเพราะขันเป็นสมมติสร้างอยู่ตามร่างกายคือความรู้ทั้งนั้นเนี่ยมาสัมผัสปั้มมันรู้แล้วนี่เนี่ยมือเรามาจับปั้มนี่มันรู้แล้วทางนี้รู้แล้วว่ามือจับมือนี้จับมืออันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้เพราะต่างอันต่างใช้ได้อยู่ประสาทเหล่านี้เครื่องมืออันนี้ก็ใช้ได้ท่านี้ก็ใช้ได้มาจับกันมันกับรู้พอความรู้นั้นพบกันไปแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนต้นไม้เอาอะไรมารู้เนี่ยนั่นแหละความรู้เนี้เป็นจิตรยา ตำแน่งของสมุติมันอยู่กับสมุติประสาทตัวต่างๆความรู้ที่สร้างไปสารพัดตัวสารพันร่างกายนี้คือความรู้ที่ที่เกี่ยวกับขันที่เป็นสมุติอันนั้นก็เป็นสมมุดบรรยกาศนั่นทีนี้เวลามันมันจะจะเลิกจะลากันนันก็เป็นอย่างที่ว่าปั๊บเข้ามาทีเดียวหดปุ๊บมาร่างกายก็เป็นท่านไม้ท่านเื่ะอันนั้นก็ออกออกสิ่งออกแล้วเวลาไปจะไปคาดไปหมายว่าอยู่ที่ไหนแดนในหลัก ฟังนี่อย่างพระอนุทันเวลานี้เสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานเป็นสมมุดภารกิจที่บริสุทธิ์ก็ก้าวไปสู่สมมุดนั้นนั้นนั้นเป็นวิญญาณหนึ่งอันหนึ่งมันก็รู้กันนี้เวลานี่เข้าฌานนั้นเวลานี่เข้าฌานนั้นนั้นพอมีสิ่งพาดพิงก็เห็นแล้วที่รู้กิจบริสุทธิ์พูดได้ที่ว่าถ้ารกิจที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นนี่พอมีสิ่งพาดพิงก็รู้ว่ามันผ่านไปตรงนั้นผ่านไปถึงสัญาเรยทใลสงบ พระอารมณ์อะไรอยู่นั่งท่านบอกว่าดับสัญญาเวทนาใช่ไหมละ่ะสัญญาเวทชัยใจโดยสัญญาคือความจําอะไรนี่มันดับหมดเวทนาก็ดับหมดนี่มันเกิเข้ากันได้ครับแต่เราไม่ได้อัดเอื้อมนะมั น, ม, นมันอดเทียบกันไม่ได้นี่ว่างไงก็มันเป็นนี่ไม่เทียบได้งไงเวลาเราเข้าถึงจุดนั้นจริงภาพที่ฉังขานธ์ปรงได้นี่เ่นท่านที่ไม่ได้บอกว่าดับสังขาน นี่นี่มันชัด อ, อย่างนี้งั้นดับสัญญาเวทนาเรวัตนาความจานั่นหมายนี่มันหมดไม่มีอะไรเหลือเนละ้เรวันาคือความทุกข์ในร่างกายทั้งหมด ส, ส่วนเวทนาจนิตไม่ต้องไปพูดพูดทําไมพระพุทธเจ้าที่ว่าดับสัญญาเรวันาหมายถึงเวทนาในพระไตรลักของพระองค์ต่างหางน้นนะจิตจะมีเวทนาที่ไหนบ้างนั่นหมายถึงมันระงับงั้นสัญญาก็ไม่หมาย ไม่หมายอะไรทั้งนั้นสงบพระอารมณ์คือขันไม่ไหวส่วนสัญญากับเวทนานีิับเนี่ยท่านเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาขันถ้าการดุจเถื่อนก็คงเกิดคงกันแน่ใจว่าร่างกายด่จเถือ่อนของเราเนะี่ยมันกำมือกำหมายแต่ที่สังขารปรุงได้มันมีอยู่แบบนแบบี่อันนี้มันก็ทําให้เราเห็นนี่วะ มันเห็นไังไงวะพอมันมันมันรวมตัวเข้ามาเปิบเข้ามาถึงนี่แล้วมันต่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้คำม่ารู้นี่เราจะเราจะไปพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเราจะนําออกมาสมมติพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้ต่ว่าขาว่าบ้าดำว่าเศร้าหมองสงสัยนี่พูดไป่ได้ทั้งนั้นพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้ห้าดูตรงกลางนี่แม่ฟังดิเพราะตรงกลางอะไร เพราะร่างกายของเรานี่เป็นสมมุติจึงจึงมีนอกนนมีในเมื่อเป็นอยู่ตรงกลางก็เรียกว่กากลางนี่ก็พูดได้ว่าอยู่ตรงนี้ให้ให้ใหออกจากนี้แล้วที่พูดได้ไงใครจะเอาสมมติไปไปตามรอยท่านละ่ะท่านเวลาท่า น, นผ่านนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยฉันได้อันนั้นก็เหมือนด้านฉันนั้นเพราะอันนั้นเป็นสมมติล้ว น, น, น, นแล้วเมือ่อมีสิ่งพาสิึงรับ ว, ว่างไงแต่สังขาร ในขนาดที่เข้าสงบอารมณ์สงบปัญญา่างขายมันยับขึ้นทำให้คิดนึกจะไปเรื่องเลือนะมันปรุงมันได้นะ่งกายนันปรุงได้อันทั้งทั้งหลาดับไปหมดแล้วอันนี้มันมันยับขึ้นมานึกจะไปเรื่องเลือมันไม่ลืมนี่วะเพราะนี้เป็นสัตธรรมอย่างเอกเวลานั้นนึกจะไปเรื่องเฉลือดเอาไปก็ไปน่ะร่างการปรุงได้ สติปับ๊บนี่สตินี่ก็เป็นสมุนต์นั่นนองนะเนี่ยสมมุติปฏิบัติต่อกันเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งเหมือนกับว่าตั้งฐางนเนี่ยคือกิริยาของสมุติสติก็เป็นสมุติแต่ทังไปจึงมาเป็นมรรคหนึ่งสสติปัญญานั่นเป็นสมุติเป็นมรรคผู้ที่ไม่ใช่อายาสัตว์สีนั่นอีกท่ามกลางนั่นมันชัดง น, นที่ผู้ปฏิบัติ ทุกชมพูใช่รุมากเป็นจิน ย, ยานาเนี่ยเป็นสมุนาที่กันรกรองธรรมชาติที่ธรรมชาตินั้นให้บริสุทธิ์คือนี่เองเนี่ย แ, แต่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นนนั้นไม่ใช่อันนี้เน่นั่นธรรมชาติเอเลย้วอ่างนี้ว่าที่ท่านพูดใ้สุภะตบริปภะโที่ว่ามีสมณะท่หน่งที่สองที่สามนะและมักแป่มีในในศ า, านสนาอะไรศานมีมากกว่ภามีนั่นางกันใช่ไหม นั่นเนี่ยนั่นฟ ja, ังดีมากแปลเพราะฉะนั้นอริยสัจจริงภากไม่ได้ตัดสจังไม่ได้เลยแม้รายเดียวผ่านไปไม่ได้นะข้ามอริยสัจไปไม่ได้นะว่างี่เลยอริยสัจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเค yeah. รื่องกันกรองเป็นเครื่องกันกรองให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์คืออริยสัจนี้เท่านั้นหวังอันเดียวพบริจิตต์จริงเกิดได้เปล่ากูดอย่างนี้เลยองค์นี้เกิดได้ทำไมองค์นั้นเกิดไม่ได้อริยสัจนี้เกิดทำไมเกิดไม่ได้ล่ะเนี่ย พระพุทธเจัาสรุปเพียงพระองค์เดียวสามงค์ท่านบรรลุลารันจากอริสสัตว์นี่มีกี่องค์ล่ะนะทําไมพระพุทธเจ้าจะมีหลายองค์ไม่ได้เมื่อองค์นี้มีได้เกิดได้จากอริสสัตว์อริสสัตว์สูญไปไหนสูญแต่จากบุคคลแต่ละคนละคนไปไหนวะยิ่งพระพุทธเจ้าพูดจากสรุปแล้วอริสสัตวจ์จะไปไหนอริสสัตจะไปนอนอยู่ที่เทวีดไหนนั่นก็นั่นแหละที่จะจะบรสุทตรงนั้นน่ะตรงที่สมวันเพลินอย่างพระพุทธเจ้าที่มาปัะจัยการกระหย่ง ปัจจัยการคืออะไรอวิชชาปยาสังขรานั่นยอดของสมุทยนะัยนะพิจารณปฏิจจสมุปบาทคืออะไรนั่นคือยอดของมรรคนั่นนั่นละอริยสัจธรรมานวิญญาณริชาปญาสังขาราสังขราปรยาวาญญาณนะงีินญาณเหล่านี้เป็นสมุทยัยอันนี้ท่านท่านนํามาพูดนะเวลาท่านผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดว่าอันนั้นเป็นสมุทยัยอันนี้เป็นอันนั้นันนเป็นนั่นอนนั้นเป็นนั่น เวลาผ่านไปแล้วท่านประมวลมามาพูดที่นี่เราก็พวกที่ปฏิบัติหรือพวกเรียนเราเราเข้าใจว่าเมื่ออันนี้เกิดอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดแล้วก็จะไปต่อสายยืดยาวไปบนั้นเป็นลําดับ น, นั้นโอ้ยว่าไงให้มันเข้าใานภาคปฏิบัติ ม, มันดูสิอวิชาปัญญาสร้างคาลาอวิชาปัญญาวิญญ า, นางนั่นอวิชาปัญญาสร้างคาลาส้งคาลปัญญาบิณญังบิณญาปัญญาน า, ญญ า, า, นามรูปปังสม่ไหม ที่นี่อวิชชาปัญญาสร้างคาราอาวิชชานี่แหละทำทำให้เกิดสังขารอาวิชชานี่แหละทำให้ทำให้เกิดวิญญาณอาวิชชานี่แหละทาให้เกิดนํามลูกนั่นไอรลุบันนั่นเวลาเอาจริงๆนันไม่ได้ต่อโยงกันไปนะถ้าต่อโยงกันไตายให้มันปฏิบัติเพื่อเกี่ยวโยงกันไปอย่างนั้นตายเลยไม่มีทางย่ํำขนมตรงนี้นะจะเกิดสังขารก็ดีจะเกิดวิญญาณก็ดีเกิดนํามาลูกก็ดีเนี่ยก็คืออวิชชาอาวิชาวชาชัดต้ลุมานี้ตีตรงมานี้เวลาพิจารณ์มหมุนเข้าไปนั่นแล้วก็พังลนีแ้ว มันถ้าเราเกี่ยวเหมือนกับต้นไม้ใครจะมานับดอกครับกินนับก้านมันนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบ ไ, ไม้ต้นนั้ sure. right. นไ ม, ไม่ตายฟาดรากแก้วมันขึถล่มท่วนแล้วไม่ตอ้องไปหานับมันออกิ่งนั่นกัของต้นไม้นี้ใบนั่นกัของต้นไม้นี่ใบนั่นของต้นไม้นี้มันตายด้วยกันหมดถ้าว่าเราไม่ไปถอนรากแก้วมาแล้วกิ่งนั่นของต้นไม้นั่นกิ่งนี้นี่ประเด็นใบนั้นประเด็นใบนี้ประเด็นกินงนี้นี่เนาะจนกระทั่งเจอของตายไม้ต้นนี้ก็ไม่ไมตาย ถ้าจะไปนับกลินนับกล้ามไม่หนีแล้วกวัวจะมาหาลักแจ่วมันนี่นไม่เป็นงั้นนันถอนพวทีเดีอาเวลาตักฆ่าของมัพวดเรียแล้วดินกล้ามแท้คารวายไม่ต้องบอกนะเมื่ อ, อวิชาเครื่องสูบเมื่อหลักแก้วเครื่องสุบต่อมันหมดแล้วสิ้นสุดลงแล้วมันสูบอย่งนั้นสิ้นสุดไปหมดนี่วิชาเครื่องสุบต่อของพวกพัญชาขัา้ายสินสุดลงไปแล้วหมดเลยวันนี้เขาจะบอกผมเป็นบ้าหรนะว่ากว่าพี่คนเร า, มาไม่เป็นบ้าเวลานี้ก็พูดอยู่ที คนบ้าพูดอย่างนี้ได้เลยมันเห็นยัหัวใจอจะของขอะไรมาพูดรุมรแรงจะเอามาพูดนะว่างั้นนี่ไม่ได้พูดรุมรุนแรงนะนี่นะว่างั้นเลยนะมันอาจหาันอเดือนจะพูดก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลปฏิบัติมาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะทําไมจะไม่อาจหันแล้วมันเห็นยังยิงจะว่าไงเหรอสมายแม้งั้นทำไปจะเจ้าก็ให้ชเด็ดยะยะเยียบไปหมดที่จะให้จะให้ตีปากมาได้ใช่พูดได้ใช่ ให้มันปิดหูปิดตามดหูมีตามีก็ให้มันปิดไว้หมดปามีก็ให้มันเย็บ ป, ปาหมดอย่าพูดเลยที่เดี๋ยจะสนุกเพลินผ่านาถ้าทำมาไม่ออกปากมันแล้วเสร็จพิเรนยัยงไงมันก็ต้องปลใหญ่เลยนี่เหมือนกันลูกต้องอุบายวิธีการบอกวิธีนี้ให้ดูหน่อยเพื่อจะปราบพิเรนเจะเป็นอะไรไปมาโอ้มาอวดที่ไหนวะมาโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรมาโอ้เห็นอวดเห็นมีอะไรมาอวดเอาอะไรมาอวด เอาความจริงถ้าผู้ปฏิบัติท่พพาพิจพิจารณาลนภาพอริบัณเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าไงงา น, นผมหึงไปที่วัด่ำไมไปบูวันละท่านจะคุณใจท่านนดท่านเอาหนังสือเรื่องนี้นมาให้ผมเขาทาเขาวาดภาพอวิชาไว้โอยเป็นจริงเป็นการเป็นอะไรซึ่งวกเวียนกันมาภาพนียเอาเอาเอาวิชาไปดูดูยิ่งยาก เนี่ยเขาวาดภาพาวิชาตอนเขาเขาบวชเขามาบวชมันก็เป็นหมอไงเขามาบวชแล้วเขาวาดภาพวิชามันก็ทั้งหน้าดูดูนี่แต่มันเป็นกระดาษละสิมันไม่ใช่วิชาทำ <c oughs> ไมผมดูเฮ้ผมไม่ดูว่างี้เลยผมผู้จังอาจถามด้วยนะจนกระทั่ง ท, ท่านมองหนะผมผมผมไม่ดู น, นี่ใครเขียนนักแรกอย่างไรวิชาไม่หัวหราะอยู่วะเรื่อ ง, องวิชาไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่าว่างอย่างววาดมันกลุงนั่นเลยนี่ เวลาพิจาราวิชาจะพิจารณาแบบนี้แล้วตายเลยไม่มีทางว่างี้เลยครการพิจารณาวิชาไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ในภาคปฏิบัตินะว่างั้ก็เป็นอย่างนี้นจิ ง, จงถ้าลองดูพิจารณาเอาอันนี้ไปเป็นเป็นแบบแปลงผังแล้วตายไม่มีทางนั่นแหะที่มันเป็นตัวจริงจิงอย่างที่ว่านั่นมันไม่ได้ต่อสายยาวเหยียดไปนั่นนะว่าวิชาเกิดเพราะนั้นนั่นนะ แล้วพออันนี้ดับอวิชานั่นก็ดับอันนั้นก็ดับอันดับที่หนึ่งอันนั้นดับที่สองสามไมดับไปนั่นหนึ่งอวิชชาปยาสร้างคาลาสร้างคาลาปยาวิญญาณนี้ปญานามรูปังนามรูปปฏิญาติลาจิตนังเีอะอันเหล่านี้มันมีอวิชชาปยาสร้างคาราวิชชาปญาวิญญาณอวิชชาปยานามรูปังอวิชชาปยาลาจิตนังเลอนี่ลาจิตนังปฏิาตโสปัสสัตว์นั่นเนอะ อะไรพระโซเลยนั่นปฏิยาปฏิอวิชาอวิชาอันนี้เกิดเพราะอันนี้อันนี้เกิดเพราะนี่อันนี้ทำนี่ให้เกิดนี่ทํำนี้ให้เกิดอวิชาทําสังขารให้เกิดอวิชาทำวิญญาณให้เกิดอวิชาทํารางรูปให้เกิดนี่นำนี่ทำนำกันอย่างนั้นเวลาไม่ไม่เข้ารากแก้วมันจะไปคัดกับจีนจับก้าวแล้วมันถอนนจุดนี่เพราจุดรวมอยู่ที่นี่อวิชาวิชาในี่รากแก้วน่ะถอนตรงนี้คุณแม่เราพูดแบนั้นเห นดีๆก็หูคนทั้งหลายมันมากกว่าเราหูเราปากเราคนเดียวแล้วม่ใว่าเราบ้ากันทั้งโลกนะพอว่าพูดเลยมันมอบให้ความเป็นผู้ปฏิบัติเป็นเองรู้เอย่างไม่เถียงใครแหละอันนี้ก็พูดเฉยเฉยไเถียงใครไม่เถียงนี่เราพูดในวงปฏิบัตรริเพื่อจะเป็นกติเวลาไปไปไปเจอกันไปจนเกอะกันมันมีนี่มันจะยับมาละเรื่องคำพูดทั้งหลาย เราก็ยปฏิบัติมางั้นพอเวลามันเจอของมุมเดี๋ยวโอวานกูวาอาจารยา์ยับมายับมาเดี๋ยวสูตรนั้นสูตรนี้ในะคำพียับมาช่วยนั่นพเพราะฉะนั้นจึงว่าปริยัติกับปฏิบัติถึ ง, ถ, งถึงเวลาออกแล้ววิ่งประสานกันนี้เอาไว้ไม่อยู่ท่ า, านพแม่กอาจารย์พูดโอ้โหถูกจริงๆนะพอถึงขั้นปัญญาที่มันมันจะวิ่งประสานกันระหว่างปริยัตกับปฏิบัตินี่ประสานอย่างนี้นท่านกลัวเราจะไปคิดปนาซะในตอนที่มันยังไม่คู่ควรแก่กัน เพราะจิตก็ยังไม่สงบเลยล้วจะเอานั่นมาเลยไม่ได้ท่านบอกว่าดังนี้ให้ท่านมาง่ายไว้ก่อนนะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยบูชาไว้ก่อนนะจะว่าผมบ้มานะผมไม่ลืมนนี่ท่านพูดอย่างนี้นะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยให้เอาบูชาไว้ก่อนนะท่านจะโดนไปนใจมันจะเกิดเป็นสัญญาอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านว่ากันเวลานี้ทําจิตกันเอาพยายามจิตกันให้สงบนะอันนี้เป็นจุดใหญ่ท่านว่าันมันก็เป็นงั้นเราก็เชื่อทองนั้นก็ฟาดเราจะ กินให้สงบมาแล้วพอออกจากนั้นสงบก็สงบไปบถ้าจนหลับก็จนท่านเดิลากออกติดสมาธิว่าไงนั่นอนี้ละออกแล้วออกยิ่งไปเปิดตัวอแล้วท่านเดอดรั้งไว้ลากกลับขึ้นมาอีกมันจะไปยังถึงขั้นต่างห่างนั่นแห่ะขนที่ว่าปัญญากรรมที่บาปตรงนี้กั น, น, กนพอไปเจอนี่ะหาหลักฐานมาทำบางทีกำลังไปเจอปัญนีเดี๋ยวประห ย, ยัดแยบเข้ามารับกันได้ได้ได้พอดีได้พอดีนั่นช่วยบุ่คยนั่น ปริยัตถึงเวลาที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นนะถึงขัง้นปัรดาแล้วเอาละจิตกับปริยัตปฏิัติกับปริยัติจะวิ่งประสานกาันประสานกาันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดคิดที่ตรงไหนวะฟังสิถึงเวลาที่จิตจะวิ่งออกสู่ปริยัตแล้วห้ามไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้ท่านจะต้องวิ่งประส า, กานกันปุ๊บปนั่นท่านพูดท่านเคยเป็นมาแล้วทา่านพูดถูกนี่เวลาเราไปเจอก็อ๋อ แต่ว่าเรามันเตลิดก็เลยเปิดเปิงคนไม่พอดีขั้นว่ายันว่ายอยู่ว่าที่จะจนหลับคลอกคอกไม่ยอมตื่นท่านก็นลากค อ, อกถ้าว่าเอาออกที่ออกออ ก, ออ ก, ออกไปใหญ่อีกแล้วถ้าก็ลากกลับมาอีกอันไม่พอดีอะไรนะเยอกันยังไง